นั่นทศกตินก็นจบไปนะก็เป็นบุญกึ่งประเพณีกึ่งการสร้างสรรค์คุณธรรมเบื้องต้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของฐานของวัฒสสนารรมคือตั้งแต่เรื่องศรัทธาตั้งแต่เรื่องศาสนาพิธีศาสนาวัตถุศาสนาธรรมเนี่ย จริงๆถ้ามีความฉลาดมากๆนะอืก็จะมีโอกาสในการที่จะเผยแพร่ธรรมะผานประเพณีพิธีกรรมอะไรทั้งหลายได้แต่ปัจจุบันหลายๆแห่งหลายๆที่เนี่ยเป็นเรื่องของประเพณีกับพิธีกรรมล้วนๆเลยน่ะไม่มีอะไรเป็นเรื่องของพิธีกรรมล้วนๆอย่างเดียวโอ้น้ำตั้งแต่นวลแหละตั้งแต่ วัดหลวงลงมาจนหาวัดธรรมดาแทบจะหาสาระในกระถิ่นเนี่ยไม่ค่อยได้จนกลายเป็นปรเพณีนิยมในการาทำบุญทำทานเพื่อรวบรวมจะถุตุปใจแต่จะทำไปสร้างเสริมถาวรวัตถุให้กับวัดวาศาสน า, าถามว่าจำเป็นไหม ทุอย่างมีความจำเป็นมดนะเพียงแต่ว่าเราจะมองมุมไหนถ้ามองมุมที่จำเป็นก็จำเป็นมองมมไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นมองมุมได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์มองมุมไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นเวลาคนเห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ใช่ผู้รู้หรือนักปร า, าชญอาจารย์จริงๆการมองก็ยังมีมุมมองที่ต่างกันไป นะย่องเห็นในมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะกิจกรรมอันหนึ่งแต่มุมมองไม่เหมือนกันนะก็มีนะเรื่องเรื่องหนึ่งมีมุมที่ต่างไปแล้วแต่จิตของใครแมื่อเป็ผู้ที่พ้นทุกข์แล้วดับทุกได้หมดเนี่ยถึงเวลาวาระโอกาสในการพัฒนาความรู้สถานที่ก็มีความจำเป็น อย่างที่ใดก็ตามที่มันไม่มีความสงบสงัดไม่มีความวิเวกเนี่ยมันก็ลําบากอยู่เาวพระอรหันต์ปฏิบัฏธรรมเอาดับทุกข์ได้ถ้าสอนคนจะไปเรหาสอนเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่เราว่านะ่ะไปสอนที่โน้นที่นี่ไปแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้มีกันทําความเพียรจริงจงจังๆเนี่ยอืมสภาว่าธรรมก็ยังไม่ยอมปรากดยา มันปรากฏขึ้นมายากในใจิตใจงานเราทำงานงานงานเนี้ยงานกระถินงานอะไรประมาณเนี้ยเคยได้บอกไว้แล้วว่ามันเป็นงานที่หลายอย่างนะต้องเอาอ น, นั้นบ้างต้องหยิบอันนี้บ้างต้องอะไรมัางต้องมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนั้นเราจึงจะเห็นว่าในเนี้ยใครคุณธรรมต่ํา คนทำสูงเนี่ยจะดูออกคนไหนอารมณ์อ่อนโผกเปียกโอ้ยหน้าดำกล่อมเครียดน่ากลัวขึ้นมาทันทีอะคนไหนที่มีภูมิธรรมพอดีหน่อยเอาพอไปได้เนี่ยคือตัววัดนะตัวชี้วัดสติเนี่ยรู้ได้เมื่อภัยมีมจะงุนยิดจะทุกข์อา้าวกระถินเสร็จมีความคิดแบบโน้นแบบนีนน้ขณะที่ทำอยู่ พูดหยีด ต, ติดอารมณ์มันนึงมาเนิดไปบางดนะีนั่นก็คือนั่นแหละผลงานของเราเองที่ปฏิบัติทำมาถ้าขี้เกียจไม่อยากปฏิบัติมันก็ให้ผลยิ่งถ้าสู่เข้าสู่สังคมมากมากขึ้นเนี่ยยิ่งทุกข์มากนะชีวิตเนี่ยยิ่งปัญหาเยอะมากใครล่ะเราอยู่คนเดียวนะยังขนาดนี้นะ ถ้าส่วนเราทำเรื่องของการเผยแผ่เรื่องอะไรที่มากๆมาขึ้นไปนีว่าลำบาจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะนั้นถ้าว่าเราไม่ใส่ใจที่จะฝึกมันไม่ต่อสู้กับมันเราหลบเลี่ยงมันตามใจผ่านไปวันๆไม่ใส่ใจกับการชำระล้างใจเนี่ยพอถึงเวลา ที่ต้องมันออกกําลังเยอะๆต้องใช้กำลังเยอะๆถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีรูปมีรถมีกลิ่นมีเสียงมีความพอใจเม่พอใจอะไรๆเข้ามาเนี่ยไปไม่ได้เลยเี้ยรถกําลังหมดติดอารมณ์เป็นทุกข์งุดหงิตอะไรประมาณ น, น, นี้นั่นแหละคือปัญหาละ่ะเราสําคัญมันหมายคนนั้นทําผูกคนนี้ทําผิดกู u, ทําดีมึงทําไมทําไม่ดีเอาไปมาโอ้ไม่ไหวนะ คนนั้นทําคนนี้ไม่ทําคนนั้นพูดอะไรประมาณนะั้นเอ า, นาคนอยู่ได้เมื่อกี้ไปามาเอาออกพรรษามาแล้วคนอยู่ได้ไม่ได้หมายว่าดีนะบางทีอืมทีนี้คนไปก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาแย่คนไปคนไปก็เมื่อที้ก็ดีะ แต่บางที่ก็ไม่ดีคือมันหลายมุมอะ่ะนั้นเราจึงไปตีฆ่าให้ไม่ได้บางทีแย yeah, ่จริงๆนะปฏิบัติไม่ได้ดีอยู่นี่แย่ yeah, มากออกไปที่อื่นฝึกฝนไปดีขึ้นมาก็มีบางทีอยู่ที่เราดีๆไปที่อื่นแย่ yeah, เสียคนก็มีนะเพราะว่าธรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงมันยังเป็นอนิจจังอยู่มันแล้วมันจะอนิจจังแบบไหนบางคนแย่อยู่แล้วไปยิ่งแย่กว่าเดิมก็มีเป็นธรรมดา แันั้นมันเป็นเหมือนว่าใครจะไปก็ไปใครจะมาก็มาในเวลาที่เหมาะสมนที่สมควรเขาเรียกว่าอาจริยะมีจริยะจริยางดงามถึงเวลาอันเหมาะสมดูแลช่วยเหลือกันเคย อ, อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าไปบอกลาไปไม่บอกลาไปคืออันนี้สูง กฐินเนี่ยอั น, น 5, ที่55มาติกา8อันที่5มีอะไรบ้างเนะ <c oughs> ในจำนวนั้องมีเรื่องนี้แหละอยู่ด้วยดังนั้นอาศัยการํำระล้างใจไม่ใช่หมายความว่าเออวันนี้ไม่มีอะไรอล้วอยากหลับก็หลับอยากคุยก็คุยอยากคือไม่สังเกตใจตัวเวลาเจอปัญหาเนี่ ย, ยมันเกิดขึ้นทันทีทุกมันมาทันที มันทุกข์มันเกิดขึ้นคือเวทนาเกิดขึ้นแล้วเอาไม่อยู่ชีวิตเนี่ยเขาชําระล้างมันไม่ได้คือตัวตนมันเยอะนั่นเองถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าคนเนี้ยคนนี้ถ้าตัวตวนเยอะเวลามีงานเยอะๆเนี่ยเอาเริ่มละมันจะเริ่มศึกษาเริ่มโงนหิดเริ่มสังเกตคนอื่นที่จะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์สุดท้ายเอา้ามันก็ทุกข์จริงๆชีวิตเนี่ย ถ้าเราทํำยังไงมันจึงจะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็คือความเพียรเพียรเพื่อทิ้งความคิดให้เวไวยเนี่ยต้องฉลาดต้องไวทาไมไวมันก็กรบกวนเราเรื่อยๆนะรบกวนเราเรื่อยๆอะไรรบกวนแล้วเรื่อยๆอ้วอออาวโลภโทสะโมหะวันทีก็งดหงิดอึดอดัดคือมันเกิดได้ตลอดเวลาชอบไม่ชอบ เนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นถ้าเราทํางานแบบเฝ้าดูใจตัวเองไปนะมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆเฝ้สังเกตใจตัวเองไว้เรื่อยๆบางทีมันทําไม่ถูกมันไม่ได้ดังใจกับประชดประชันนั้นอันนี้เข้าไปในจิตเนี่ยนะเพราะเราไปตามมันทําไมมันดีเออมันเพราะมันไม่ทันมันไม่ทันมันก็ต้องกู้สถานการณ์ขึ้นมาไวๆ ผู้สถานการณ์กับคุณมาไวๆมันไม่ทันเอาแล้วไปเริ่มใหม่เล่ลึกรู้ให้ทันเนี่ยเขาจึงมีคำว่าขอโทษเนี่ยมีคำว่าขอบคุณเ น, นี่ยเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือกันมีการสัปปตาอัปติโยอาโลเจเมิอะไรพวกเนี้ยมีการขอขมาขอขมาขมาขมาขมาแปว่ากิจทีระยะที่อันสมควรกระทำ ขอขมาต่อท่านขอข้ามาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินมันล่วงไปมันเกินไปสิ่งที่เราทำแต่ก่อนเราไม่รู้เอาทำให้อื่นคนอื่นงุนงิด ต, ติดเป็นปัญหาเป็นทุกข์เป็นอะไรต่างๆเนี้ยนั้นก็อาศัยการเรียนรู้สัจธรรมเนี้ยอยู่เสมอเม่เสมอบ่อยๆอย่าประมาท ถ้าประมาณทุกข์จริงๆนะมันทุกข์มันหงุดหงิดมันกระวนกระวายบางทีซึ่งในความผิดความถูกนี่มันไม่มีคนนี้ไม่มีผิดนะเนี่ยที่เป็นเนี่ยคนนี้ก็ไม่มีถูกนะถูกผิดมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นกอีเอียง น, นกอีเอียงกินหมากพวกไอ้เซลเซเสียงบ่มีตัวหอกเซลเซลกลองตัวเดียวมัดมูนนกอีเอียงก็คือความคิดนั่นแหละ ความคิดเราเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราไม่ทันมันล้สังเกต ด, ดูดิสิ่งที่เราทำไปสักพักเนี่ยเราจะเกิดความละอายอย้อนหลังถ้าคนมีสตินะแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็คือไม่รู้สึกละอายแล้วเท่าเดิมอะไรประมาณนั้นเท่าเดิมไม่มีการประเมินอารมณ์ตัวเองคนน้อยคนมากอะไรประมาณนี้น เอาโทสะเป็นที่ตั้งอันนี้ก็ลำบากนะตัวโทสะอยู่หน้าโลภะอยู่กลางโมหะอยู่หลังไอ้ัวโทสะนี่คือตัวข้างหน้ามันนะมันออกมาข้างหน้างนั้นถ้าคนไหนยังปล่อยตัวโทสะออกมาอยู่ห่างไกลสัจธรรมตัวโทสะมันวิ่งออกมาข้างนอกมาอยู่ข้างหน้านะนั่นก็ต้องสังเกตถ้าสังเกตไม่ออกเราก็ทาความเพียร เยอะๆหน่อยนะเท่ากันนะวันเวลาตื่นนอนหลับประมาณเท่าเดิมอืแต่ว่าถ้าเราอยู่ทั้งโลกนะอเราต้องทํามาหากินเยอะแยะเวลาเข้ามาตาั้งทำเอา้ามีเวลาทางเข้านี้เนี่ยบางคนมาได้ดีบางคนยังมีอย่างมีเวลามากกว่านี้อีกอย่างเงี้ยมากกว่านี้เลยบางคนอยากอยู่คนเดียวมากกว่าไปอีกอย่างเงี้ยอถามว่าผิดไหมมันก็ถูกนะ เวลาหนึ่งว่าถูกงั้นเวลาเตือนคนเนี่ยถูกก็ได้ผิดก็ได้มันไม่มีอะไรตายตัวเที่ยงแท้มันถูกก็ได้มันผิดก็ได้มไม่ได้ถูกเสมอไปไม่ได้ผิดเสมอไปอันที่ถูกเนี่ยด่าในบางทีดีนะทำให้คนดีอันที่ยิงเหตุปัจจัยนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบางทียกย่องสรรเสริญดีกับมีนะบางทีด่าเสียคนยกย่องสรรเสริญเสียคนก็มี แล้วแต่จังหวะเวลามันอืมมันที่ไม่มีถูกผิดขึ้นลงอะไรเลยอเพียงแต่ว่าเราสังเกตให้เป็นถ้าสังเกตให้เป็นก็เห็นทำไม่่ไหวทำคือสภาวะปกติทั้งหลายเนี่ยนั่นบางทีหาความว่างเป็นก็จะเห็นทำถ้าเราหาความสุขความสบายหาความว่างไม่เป็น อืเราไม่ได้เห็นตัวเราเองตัวเราเองมันเป็นทุกข์เยอะแยะเราก็รับไม่ได้ดูไม่เป็นเอาไปมาหาคนอยู่ด้วยยากชีวิตเรามันทุกข์ไงมันทุกข์มันร้อนสุดท้ายก็คืออยู่ใครอยู่มันอยู่ใครอยู่มันเพื่ออะไรอเหมือนชาวบ้านเขาเนะ่ยต่างคนต่างร้อนชาวบ้านนะต่างคนต่างร้อนนะ เมื่อต่างคนต่างรนเขาก็อยู่บ้านใครอยู่บ้านันอือแต่ถ้ามาอยู่ในวัดเนี่ยเขาเหมือนว่าต่างคนต่างมาเย็นมาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นต่างคนก็ฝึกฝืนแต่ถ้ามาอยู่วัดแสดงอาการโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้จะฆ่าคนนั่คนจะด่าคนนี้อะไรประมาณนี้อันเนี้ยเราลืมดูเป้าหมายของชีวิตเราเจอยังไงก็ตามนะ เราจะพูดธรรมะเนี่ยในแง่มุมไหนก็ตามพูดถูกพูดผิดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําพูดเราอ่ะมันก็เป็นของมันอยู่แบบนั้นนะมันไม่ได้มีผิดมีถูกในตัวของมันเองมันก็เป็นอยู่แบบนั้นของมันนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าอะไรเราจะมาเถียงเอาผิดอันถูกว่าพูดเตอานั้นผิดนะวินะเออมันผิดเพราะเราคิดว่ามันผิดมันถูกเพราะเราคิดว่ามันถูกตัวของมันเองแหละจริงๆนะเนี่ย บางทีมุมมองคนหนึ่งอาจจะเป็นแบบหนึ่งนะบางทีบางคนเอากระดาษทรายบางบางขัดถูเนี่ยเบลว์าวาเลยนะละเอียดเนี่ยแต่บางคนต้องใช้กระดาษทรายหยาบขัดเพื่อจะเววเวลขึ้นมาหน่อยหรือบางทีบางคนต้องใช้หินเจียหินขัดไปนั่นนะคือมันแล้วแต่นะและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนเพราะแต่ละคนไม่ได้หมานาบางเท่ากัน มันต่างกันเมื่ทนติดความคิดหือคิดเยอะเนะมื่อคนติดความคิดไม่เยอะนเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยดับแล้วนี่ครับน้นจะมองมุมไหนถ้าเราไม่มองดูตัวเองเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยปัญหามันก็เกิดเรื่อยๆนะถ้าเรามองว่าพณีพิธกรรมทั้งหลายนี่เป็นการกรองเราเอง ก, ก็จะได้ไประโยชน์นะกองเรากองหมู่กองคณะกองอารมณ์กองคนโน้นคนนี้นะ บางคนสังเกตนะรับผิดชอบหน้าที่ดีดีจะไปทํามำนั่นทำนี่เราจะเห็นนะ่ะมองยอยใครจะดูอ๋อคนนี้รับผิดชอบหน้าที่ดีมากเนาะมันน่าอนุเคราะห์สงเคราะห์นะคนที่รับผิดชอบหน้าที่ดีๆเนี่ยแต่บางคนดูเหมือนเกรงใจคนนั้นคนนี้เนะ่เกรงใจไม่ใช่รับผิดชอบนะแต่เกรงใจคือมันไม่มีความรู้สึกสนุกสนานมีศรัทธา ในการในงานอะไรแบบว่าเนี้ยนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ไม่ดีวันหน้าก็อาจจะดีอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราไปกากระบาดไปตีตราเขาทั้าว่าเอเองคนขี้ค้านเข้าไปพกมันก็ไปยั่วให้โทสะมันเกิดเป็นตัวปฏิฆาอุนย์เตลดเิดเปิดเปิงไปเลยก็มีนั่นทุกอย่างเป็นความถูกความผิดความได้ความเสียอภัยไม่อภัย มันอยู่ในใจที่พร้อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือประโยชน์ของอนิจจังเนี่ยมันสามารถอนิจจังได้ทั้งข้างดีและข้างไม่ดีสมควรรู้วนน่าจะเกิดข้างไหนอันนี้อันนี้พูดถึงอารมณ์นะส่วนร่างกายแขนขาตินมือก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยของร้อนของหนาวของเย็น ของความรู้สึกนึกคิดสัญญาเวทนาะอารมณ์เรื่องธรรมชาติเพียงแต่ว่าเวลาเราทําความเพียรก็ทําให้จิตมันตั้งมั่นหน่อยทําไงจิตมันจะตั้งมันได้เนี่ยคือปัญหาแล้วถ้าเราทําใจได้ตั้งมันได้ปัญญามันก็เกิดขึ้นมาคือมันทิ้งความคิดได้นั่นเองนอ๋อไม่ต้องจังงั้นอย่างเงี้ยมันไม่ทิ้งความคิดอืฉั น, นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่นานวันนานเดือนนานปีไปเรื่อยเรื่อย ทุกเราก็ปรากฏว่ามันไม่ลดลงมันไม่เย็นลงไม่สงบลงความขี้เกียจความขี้ค้านความอะไรต่างๆเนี่ยความเมื่อยล้าอ่ อ, อนเพลียความทําใจพวกนี้ยมันมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือว่ามีเอาออกไม่เป็นเนี่ยแต่บาทีไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันจะท้อแท้ใจปานเนี้ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ท้อแท้ใจปานนี้นะ แต่พอปฏิบัติทําแล้วโอ้กับ ท, อท้อแท้ใจในชีวิตเนี่ยโอ้เพ น, นี้แล้ว ท, ท้อแท้เจอนี่ยเหมือนขับรถนั่นแหละเครื่องกําลังมันไม่ดีพอไปเจออารมณ์ท้อแท้ก็ติดเจอลาหมง่วงก็ติดเจอเบื่อนหน่ายก็ติดเจอรูปรถกินเสียงมันติดเนะ่ยเครื่องยนต์มันไม่ดีมันก็ติดลมติดลบไปฉะั้นถ้าเราสังเกตเราอยู่เรื่อยๆแบบนีเเเ้เราก็สามารถกลับไปสู่จุดเดิมเราได้อยู่อย่างสม่ําเสมอได้ ทุกแทนที่มันจะทุกมันก็ไม่ทุกแต่ที่มันจะเป็นเยอะมันก็ไม่เป็นเยอะนั่นก็สังเกตดูดีๆนะจริงๆวันพรุ่งนี้เนี่ยมีงานวันที่สิบเนี่ยที่ลําพูนหลวงตา ก, ก็ว่าจะหาจังหวะเวลาไปอยู่เนี่ยแม่ชีก็ไม่ชีพิมพ์บอกว่าอยากไปเชียงใหม่อยากไปเชียงรายอยู่หลวต ก, ก็คิดคิดอยู่เฮ้อไปไล่ไปส่ง ก็จะได้แต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนเท่านั้นเองทีนี้เรื่องของอพระเราเนี่ก็อยากผัดกันเปลี่ยนอยากกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะช่วงเวลาที่ไปที่อยู่อะไรประมาณเนี้หลวตาก็ไม่ได้ถามไม่ได้ดูว่าใครมี ทุลาภาระหน้าที่จะไปทำอะไรอย่างไ ร, รอะไรประมาณนั้นอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจากกันไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะจากกันไปก็ดีให้มองว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีมันอยู่ไม่ได้มันทุกข์มันมีปัญหาหรืออยู่ไม่ได้ทุกกายอยู่ไม่ได้ทุกใจ หรือทุกข์เพราะอยากเปลี่ยนแปลงสถานที่อะไรประมาณเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเนะเพียงแต่ว่าขอให้ทำได้ดีมากกว่าเดิมไปแล้วทำให้มันดีขึ้นนะที่ไหนก็ตามทำให้มันดีขึ้นจเจริญสติให้มากขึ้นดำความเพียดให้มากขึ้นในวิธีการที่บอกสอนแนะนำอะไรประมาณนั้นนะมีเยอะแยะไปพคนที่ศึกษากับพระพุทธเจ้า ภายหลังก็ออกไปหาปลีกวิเวกทำความเพียนใหม่ๆก็อาจจะคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนกนะบินออกจากเรือขึ้นจากเรือไปแล้วมันไม่ไม่เห็นฝั่งมันก็กลับเข้ามาที่เสากระดดงเรือเหมือนเดิมเราก็เหมือนกันบางทีอยู่กับครูบาอาจารย์เออมันบางทีมันก็มีปัญหานะ่กับเพื่อนสะทมิกเนี่ยกับคนนั้นคนนี้ไม่ถูกใจไม่ถูกกิเลส ที่ไปแล้วเนี่ยอาไปได้อยู่พอดีอาอยู่ก็ได้ไปก็ได้ทำเหตุปัจจัยตักเตือนกันเอาพอเป็นพิธีถ้าไปมันดีขึ้นเอามบางทีก็ไปกลับมาบางทีก็ไปแล้วก็ได้ดีก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติบางทีก็แย่ลงแย่ลงก็ บ, บินกลับมาไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีที่พึ่ง หรือกลับมาตามบาระโอกาสอันควรก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าเราไปตีค่ายว่าโอ้คนนี้ไม่ดีนะคนนั้นดีอะไรประมาณนี้อันนี้ือจะแย่ตั้งข้อรังเกียจ ร, รังงอนให้เกิดปฏิฆาโงนิตไปจะแย่ปัญหารังนั้นลวงตาก็มีความรู้สึกนึกคิดเออเราอยู่ด้วยกันก็ อ, อยู่แบบ แบบไหนก็ได้แล้วเราจะเรียกเป็นครอบครัวเพราะมันไม่เยอะนะมันไม่เยอะมันน้อยๆการทำความเพียรบางทีไม่ใหม่ก็ขึงขังสัพพักเหมือนไฟถานมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงหมดไปอเอาไม่อะรนั้นในส่วนหนึ่งหลวงตาจึงเหมือนมีวัดหลายๆแห่งหลายที่เปลี่ยนอารมณ์ไง างทีเอา้าคนนี้ไปอยู่ที่นี่สิอยู่ที่นั่นสิเพื่ออะไรเพื่อได้ทำความเพี่ยนให้มันมากขึ้นหรืออยู่ในที่วิเวกสงบสงัดอะไรประมาณนี้นะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่โน่นืองที่นี่บางนี่ไปงานที่ลาพูนงานํำพูนคือ ง, งานปฏิบัติธรรมเป็นงานอนุเคราะห์ญาติโยมปฏิบัติ ก็ไม่รู้มีกี่คนนะแต่ก็คือไปสามคนสี่คนคน่ะคนถ้าเราทําจริงมันก็สามารถดูแลเขาง่ายขึ้นปฏิบัติได้ดีขึ้นอบางทีก็อยากเปลี่ยนไปว่าเออเอาชุดนี่แมจีไปชุดนี่พระไปแต่จะไปหรือไม่ไปเนี่ยหลวงตาไม่ใหญ่มีความคิดอะไรเออไม่ไปก็ทําความเพียรไปก็ทําความเพียรอย่าคดว่าอย่างโน้นอย่าง น, น, านี้อะถ้าเป็นอนี้เนี่ย บวชมาเพื่ออย่างนี้นี่จะแย่เลยแลนะบวชมาเพื่อมาสร้างมาหาเงื่อนไขนะว่าจะให้ความสาคัญกับกูไม่สห้่งความสงกับกูอะไรอยู่ประมาณนี้ตายไอเ น, นียนะเราไม่ได้คิดว่าเรามาเพื่อดับทุกข์แต่มาจะมาติดห้อยอยู่อะไรประมาณนี้นะไม่มีประโยชน์อะไรคือวันวันหนึ่งเนี่ยเหมือนที่บอกนะในพระเตกัตะสูตรเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราทำเป็นไหมหรือว่ามีแต่อนาคต คือบางทีเอาพาพวกนี้ไปดีขึ้นเอา้าไม่ให้ไปอีกก็ได้คือโอ้คนเนี้ยดีบ้างแล้วน่าจะอยู่แล้วดูแลตัวเองเป็นทําความเพลี่ยนเองที่ยหรือบางทีคนนี้ไปแล้วมันดีขึ้นเอา้าน่าจะเอาไปช่วยในงานนั้นงานนี้ตัวนั้นตัวนี้เป็นหมากนะเป็นจิ๊กซออะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่จะมุมมองนะไม่ได้หมายว่าคนไปเนี่ยด้วยเนี่ย ดีหรือคนไปด้วยคือคนไม่ดีมันไม่ได้มีคิดอะไรอะ่ะเพราะว่าคนดีก็เอาไปคนไม่ดีก็เอาไปถึงเวลาก็แล้วแต่เหตุปัจจัยต้องการแก้ไขอารมณ์อะไรต้องการใช้อะไรยังไงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขว่าถูกผิดอะไรนะ น, น, นั้นในส่วนหนึ่งก็คือเราก็ตั้งใจที่จะ อ, อยู่กับความรู้ตัว มาแอบดูมันว่าความพอใจความไม่พอใจเกิดดับยางไงอันนึ่งอา้าวเราอยู่ได้ก็ อ, อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็จากกันไปอะไรประมาณนั้นหรืออยู่ได้โดยการปรึกษาหารือกันอยู่ไม่ได้ก็โดยการปรึกษาหารือกันทำความเข้าใจก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยก็หลายอย่างประโยชน์กับใครกับพระศาสนาส่วนประโยชน์ส่วนตนเราเนี่ยพอรู้จัก ปฏิบัติตัวเองบ้างเป็นบ้างแล้วนี่ยก็จะไปได้นะแต่ถ้ารวมพลังก็เป็นประโยชน์กับศาสนาในส่วนหนึ่งปีนี้องทกาก็รับงานไว้หลายอยู่ปัญงาที่จะหนักก็คืองานหนึ่งถึงเจ็ดธันวาเนี่ยอันนี้จะเยอะผู้หญิงมันจะเยอะเนี่ยเท่าที่บอกมาก็ร้อยกว่าแล้วงานที่วัดนะ ท, ที่เชียงใหม่เขาก็ยังให้อยากมีงานอีกต่างหากวันที่เท่านั้นเท่า น, นี้ อารมณ์ตาก็ยังไม่ได้ตกลงเดือนมการาเลยวันนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยออกจากนั่นก็ประมาณวันที่ยี่สิบเท่าไหร่โยมวดัดลาดปุรีอุส่าวนี่บันทีความคิดความเห็นอะไรในบางทีเนี่ย <c oughs> คุยกันก่อนแล้วเอ่ยกันฟังก็ดีนะโอ้ยวันที่เท่านั้นจะไปที่นั่นอันนี้จะไปที่นี่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> แต่ไม่พูดให้ฟังก็ดีอะไรประมาณนะั้นะปัจจุบันเนี่ยคนจะชอบถามหลวงตาไปที่นั่ น, น ไ, ไปที่ทะเลไปที่อทำไมแล้วแต่เหตุปัจจัยมั น, นะนะคือไม่มีแผนที่จะวางอะไรเลยพร้อมก็คือไปได้ไม่พร้อมยังไม่ไปไม่ไปก็ทุกข์ไม่ะไปทุกข์ไม่ก็ไม่ ไปคนเดียวทุกข์ไหมก็ไม่ไปหลายคนทุกข์ไหมก็ไมนะ่ก็คือทําไดนะ้ส่วนดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่เอามาวัดอันนั้นไม่เอามาวัดคือมันไม่มีความคิดเอามาวัดว่าจะให้มันจิตมันทุกข์โอ้โหกูทําไม่ดีเลยเนาะเนี่ยงวดเนี่ยอะไรประมาณไม่เอามาคิดอย่ามาใส่ใจนะอย่างเงี้ยถ้าเราทําเราเลอะลืกรู้อยู่แบบนี้เนี่ยมันสบาย ส่วนหนึ่งก็ห่วงเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมศาธรรมิกเราเอา้ายังมีสอบอยู่สองรูปการสอบเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าในอนาคตก็คือเป็นประโยชน์กับศาะ ส, ะสนานหลายๆเรื่องถ้าเวลาเราจยาไปพูดกับคนเนี่ยเราต้องรู้เรื่องของคน ทัองในเงีบปริยัตบ้างปฏิบัติบ้างศึกษาเรียนรู้อ่านตำหนับตำานะาราการทดสอบกันอะไรเป็นเรื่องของโลกก็ประเมินคือมันมีการได้เรียนรู้ตกกับได้เป็นเรื่องธรรมดาดีความจำมันจาถูกก็ดีไปจำไม่ถูกก็แล้ไปแอนะก่รสิ่งเหล่านี้มันมันแต่ก็เห็นหลายรูปหลายองค์มีความตั้งใจ ในการที่จะทำความเพียรเนี่ยแต่ดูๆก็คือยังต้องให้กำลังใจกันเยอะเพราะว่าถ้าไม่ให้กำลังใจการคุยกันก็อย่างเสียงดังเกินบางทีบางทีถ้าไม่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะความเพียรก็จะย่อหย่อนาการคุกคีก็จะมีมากขึ้นเรืว่านั้น คือมันต้องช่วยกันประคองประคองอย่างทั้งเออมันจะเจริญเติบโตดีอืออย่างนี้เราก็สอนคนที่ยังไม่รู้กว่าเราก็พอได้แต่คนที่เท่าเราเสมอเราหรือมากกว่าเราเนี่ยอคุณธรรมเราก็ต้องพัฒนาอีกเพื่อก้าวไปสู่จุดนั้นได้นะถ้ามีเยอะๆนะญาติธรรมเรามาอยู่ด้วยอ้าวเมธีคงนี่พระองค์โน้นอยู่ด้วยตอนนี้ท่านไปอยู่อัต้าน มันลึลึกถึงกันวันทีเราก็ไปหากันอ้ยไปหาคนโน้นหาคนนี้เนี่ยเพราะมันรู้จักกันรุ่นเคยกันแต่ถ้าไม่เกิดความเกลียดชังเนี่ยว่าไม่กล้าไม่อยากไปหาอะไรประมาณนั้นะโอ้ยคนนี้อยู่ด้วยสมัยก่อนขี้เกียดมากไปอยู่ที่โน้นที่นี่ไม่กล้าไปหาหรือบางทีบางคนโอ้ยคนเนี้สอนไม่ได้เลยเนี่ยบอกว่างั้นอย่านะ อย่างนี้อย่านะไม่เชื่อฟังสุดท้ายเป็นเนี่ยเราเหมือนไม่ได้ยินชื่ออเหมือนไม่ได้ยินชื่อเหมือนไม่รู้จักอะไรประมาณนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเองต้องอาศัยเป็นภาละอัมภะกังปะโรเทสสะพาลาซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเอ้า ทำดีจนหยดสุดท้ายอ่ะทำดีจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนตายอยู่ก่อนไปอะไรประมาณนั้นวันทีครูบาอาจารย์ตักเตือนบอกกล่าวอะไรเนี่ยมันพอทำใจได้พอฝึกพอฝืนได้ก็ฝืนไม่ไห น, นว่าเขาเฮ้ยบอกไม่ได้เลยเรื่องของกูกูจะไปกูจะอยู่เนี่ย เรื่องของกูไม่สนใจใครเลย น, น, นะลุ้นทางก็ไม่มีภาระที่จะใส่ใจใครพอเพียงนะ mm. คนไหนที่พูดบอกสอนเออไม่ค่อยเชื่อฟังก็คือเหมือนลืมไปเลยอ่ ะ, ะ mm. แต่เวลาบอกเวลาสอนก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่คิดว่าต้องบีบบังคับ ต, ต้องนุ่นตรงนี้นะบางทีเพราะว่ า, า, วา ي, บางทีก็คิดขึ้นมาเองนะบาง ให้กูต้องขอร้องคนได้เหรอชีวิตเนี่ยนะเราทําเพื่อเราเหรอไอ้นะอขอร้องเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยนะแต่ขอร้องเนี่ยทําเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเขาเองเลยประมาณเนี้ยเขายังไม่รู้สึกตัวอีกเนะียเอา้าปล่อยวางอะไรทาเพื่อเขาเขาไม่รู้สึกเออไม่ให้มันมีเรามีเขาเอาวางเหมือนไม่มีคนอยู่ในโลกนะวางกันไปใส่ใจก็เท่านั้นอะไประมาณนั้น ดังนะนั้นทําอะไรก็ตามนะเราอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่เอาให้มันมีความเหมาะสมความพอดีทุกอย่างความพอดีมีความงามนะในภาระธุระหน้าที่การงานอะไรก็นะทํามจริงๆแล้ววัน มันเป็นเรื่องของเราเองในการที่จะขัดเกลาถ้าใจเราสบายนมันปกตินีนะโอ้มันสบายหมดนะมันไม่ต้องมาขัดเกลวไม่ต้องไปทําตัวเองให้เป็นที่รักที่ชังของคนอื่นไม่คือเราทําตัวเองนั่นแหละฝึกฝนตัวเองนั่นแหละถ้ามันดีมันก็คือดีถ้ามันไม่ดีมันก็คือไม่ดีมันไม่ดีไปหมดเลยถ้ามันดีมันก็ดีเหมือนฝนตกนี่แหละฝนตกก็ไปหมดเลยทั่วฟ้าไม่เหมือนเอาบัวรดน้ํำเฉพาะหน้าหรือเปลมาเนี่ยะสุดท้ายคือถ้าหากว่า แต่ก่อนมันก็มีนะว่าเออถ้าทําความเพียรอยู่เรื่อยๆมันน่าจะดีนะทีนี้ทําความเพียนก็ต้องมีแหละว่ามันเกิดปัญญาไหมถ้ามันไม่เกิดปัญญาเห็นเออเพียนลงไปนะเพียนลงไปมันก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาไม่เกิดปัญญาคือไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ควรไม่ควรรู้ชั่วรู้ดีอะไรประมาณนี้รู้เหมาะสมไม่เหมาะสมนั่นคือบอกว่าทำของสัตบุรุษของนักปฏิบัติธรรมที่มีคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้กาละ รู้จักบริษัทรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเนี่ยเหตุผลต้นประมาณการบุคคลบริษัทกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่คนน้อยคนใหญ่คนสูงคนต่ำสมมติปลอมัตต์ได้ไม่าทำไมไมันจะรู้ปานั้นถ้ารู้ปานนั้นได้ก็เออไม่ทุกข์กับโลกละถ้าไม่รู้ปานั้นก็เออปัญหาปัญหาว่าจิตมติดลูกติดสมมติพวกนี้ไปเรื่อยๆนะใส่ใจเอานะ ที่ผ่านมาในดวงตาก็เออก็ดีอนะ่ะเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีดีมีอันนั้นอันนี้หนักบ้างเบาบ้างอะไรประมาณนะั้นของเราทําเนี่ยเพื่อขัดเกลากิเลสนะแต่ช่างเขาอันไหนที่เขาทํำหนักๆมันว่าคิดเงินกับดวงตาเยอะเลยวันนี้มันทํางานหนากักเนี่ยมันเอาทอนนั้นหมื่นทอนนี่แสนอะไรประมาณนี้เขาทําเพื่อเพื่อหาเงินนะแต่ของเราเนี่ยทําเพื่อลดละกิเลสคนละนกันนะ ถ้าเข้าใจความหมายนี่ก็จะเป็นแบบนนึงนะทําเพื่อลดรักกิเลสก็เป็นแบบนึงแต่ทําเพื่อสวัสงานเงินค่าตอบแทนก็เป็นแบบนึงหรือบางทีเราทําไปเพืดเราก็เยียได้ค่าตอบแทนเฮ้ยทำไมไม่เห็นอกเห็นใจเราไม่ยกย่องเราไม่ให้อันนั้นคนนั้นทําไมให้อันนั้นคนนี้ทําไมอ้าวไปอีกแล้วมันทําหาอะไรเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ทําสหาสวรรค์วิมานอะไรเขาจะทำฉะนั้นะทำเพื่อให้ สติปัญญามันเกิดอะไรที่มันเกิดมามันนี่ไม่ดีเป็นอกุศลเอาชาระล้างมันอาจจะยากลําบากแต่ก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่าเออตุกอย่างมันไม่เที่ยงถ้าเราพิจารณาลึกๆอยู่เนี้ยไปได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้คารวะเขาอย่างเนี้ยคารวาะก็เป็นผู้สนับสนุน สเบียงเป็นชาวเท้าหลังซทนักบวชนักพรตเราพันเอนเทียนชีก็เป็นช้างเท้าหน้าเป็นกองหน้าบุกตะลุยปฏิบัติธรรมหลวงาไม่จะพาไปมุกดาหารนเนี่ยไปดูเจดีแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์เอกหลวงตางมหาบวัวท่านแม่ชีแก้วนะอายุเยอะเลยนะตายแล้วก็ปฏิบัติดีนะ โอกาสก็ไปโน่นไปนี่บ้างเล็กๆในน้อยย้อมกําลังใจกึ้นมาก็ฝึกฝนต่อเรื่อยทําอยู่เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันก็มีหวังถ้าคล้ายๆว่าชีวิตเราไม่ได้ทําเพื่อใครไม่ได้ทําเพื่อถ้าคนอื่นทาทําเพื่อคนอื่นก็มีความคิดมาทําเพื่อตัวเองแต่ถ้าทําเพื่อตัวเองใจมันจะเข้มก็คิดว่าทําเพื่อผู้อื่นเนี้ยนะมันก็ไปได้ อุ้ยกว่าจะเขาจะมีวันนั้นวันนี้ก็ยากลําบากของเราเนี่ยสักห้าวันสิบวันพอฟังเยงอะๆหน่อยก็คิดว่าเออแคนี้กูก็ไม่บรรลุเนาะกูก็ไม่เห็นทําอะไรประมาณเนี้นนะเมื่อทีลองผมเพราะกับอารมณ์ที่คิดว่ามันยากๆนั้นดูดิเมื่ทีมันกลับทําได้นะผ่านได้เมื่อทีอันยากเราไม่สู้เราคิดว่าอันนี้คือปัญหาเราถ้าเราอันนั้นมาอย่างนี้น่าจะสู้ได้อย่างโ น, น้อย่า น, น, นี้นะอะไรประมาณนั้นเมที่ไม่ใช่นะ นะธรรมะเนี่ยนึกตอนไหนเอาตรง น, นั้นเอเทสซาในวิมานาในวิสตินี่รุชมานาในรุชตินะเอาตอนไหนจัดการกันตรง น, นั้นเลยนะเห็นตัวนี้เกิดมาเอาดับตัวนี้เลยเห็นนี่ดับอันนี้เกิดได้เลยใ น, นี่ประมาณเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเออมันพอได้พอเป็นพอไปนะมันก็จะได้ไดเรื่อยสงบได้เรื่อยสบายเรื่อย ขนาดเราไม่ได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีธุระภาะนนระด้วยทุ่ยอะไรต่างเราอาศัยเขาอยู่เนี่ยเราก็มีภาระในการช่วยเหลือคือกูลที่นู่นที่นี่อืพอสมควรนะทีนี้ถ้าเราไปเป็นเจ้าสํานักเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าสมว่าคุณจะทำเราต่ํากว่านั้นนี่มันไม่ได้เข้มแข็งอะไรประมาณเนี้ย่ยถ้าเป็นผู้บัญชาการเองทำเองเนี่ยเฮ้ยคุณจะทำเราหมดตอนนั้นนะจบเลยอ่ะ ที่จะปฏิบัติ ต, ต่ออีกก็ไปอยู่ที่นู้นแล้วจะปฏิบัติต่ออีกอยู่คนเดียวไม่มีทางโอกาสจะปฏิบัติทำเนี่ยเท่าที่กัมีอยู่กับครูบาอาจารย์นั่นแหละเวลาเราออกไปอยู่คนเดียวสักพักเงื่อนไขมันเยอะเพราะจิตเราไม่ได้ถูกหลางเดี๋ยวเราก็โทรหาคนนั้นมาเยี่ยมหน่อยคนนี้อันนี้อัตมาก็อยากได้อันั้นคนเป็นอย่างนี้สักพักแย่แย่นะหรือบางทีไม่มีคนดูแลต้นทางให้ ปลายทางเราจะบุกตะลุยข้ามดงทุกตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้นะไม่ได้เห็นไม่ชีคนหนึ่งไปอยู่ที่อื่นนะเดินทางไปไปที่ไหนก็เห็นไปเที่ยวที่นนที่นี่แต่เหมือนจะเอาจิงเอาจังแนละ้ไปปฏิบัติธรรมก็ให้ไปเพราะคิดว่ า, เ, าเขาขยันนะคนนี้คงปกครองตัวเองได้แต่พอไปแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นเงื่อนไขอ ย, ย่างอื่นไปนันอย่าคิดว่ากิเลสมันโง่กว่าเรานะ ที่เราคิดไว้เนี่ยโอ้มันฉลาดกว่าเรามากถ้างั้นมันเป็นล็อกคอคนให้อยู่กับจมกับกิเลสในเานนาร์ลองรู้ดูนะลองศึกษาดูเดี๋รู้เข้าใจอยู่แบบคนที่เข้าใจชีวิตเนี่ยนะนะถ้ามันไม่เข้าใจก็คือเอา้าทําให้มันว่างซะแล้วมันจะเข้าใจถ้ามันไม่ว่างพะมองผ่านอัตตาตัวตัวนี้มันก็ไม่เข้าใจแม่จีพิมพ์รี่หลวงตาอยากเอาไปเก็บอารมณ์กับแม่จี เต่ oh อยู่เชียงใหม่สักระยะหนึ่งแล้วค่อยแวะไปเชียงรายอะไรประมาณนั้นน่าจะดีได้จะไปหวะแล้วมาที่อยู่เชียงรายเบื่อเบื่อหน่อยเซ็งๆหน่อยก็แวะเข้ามาที่วัดป่ามหาปัญญูเลยนะม <c oughs> ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นหรือเบอรทีเอลเข้มแข็งดีไว้าเป็นช่วยงานหลวงตายอยู่ที่วัดจําพรรษาก็ค่อยมาอะไรประมาณเนี้ยเลยจะได้ คนแก่เนี่ยต้องอยู่กับคนแก่ๆหน่อยจะดีอ้าวจริงๆนะคนแก่ๆคือมันเหมือนเขารู้จา ก, ก, กันนะพวกเนี้ยแก่ๆ ก, ก็ไม่แก่เท่าไลกลหรอกประมาณเนี้ยคือคือพูดยังไงว่าเหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะดูดีหน่อยไปอยู่นั่นสักบางดีก็อ้าวสักนวนแล้วเมษา เมษาลูต่มีงานที่เนี่ยสี่ถึงสิบเอ็ดดือนเมษาเอามาช่วยกันก็ได้เสร็จเมษาค่อยกเะยาะยกเยาะไปวัดตัวเองสักน้อยพอดูดูแล้วเหมือนจะไม่ศึกหรอกเนาะชาติเนี่ยเออนี่ น, น, นก็เลยคิดว่าหออมุนไปหมุนมาคงได้แต่ถ้าคนจะศึกเนี่ให้มันไปน่นไปนี่เฮ้ยไปน่นไปนี่มันศึกหนีได้เนี่นอันนอันนี้อันตรายพเนี่ย ก็ไม่กล้าพูดเนี่ยแต่แต่คนที่พอมั่นคงหน่อยเนี่เออชี้ไปไหนก็พอไปอยู่ได้อะไรประมาณนั้นเห็นเราเราไม่อยู่เราก็บอกครูบาอาจารย์น้องตาหนูไม่ได้อยู่ตรงนี้นะขอไปที่โน้นที่นี่อะไรประมาณนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอะชีวิตวันนี้เห็นหลายคนก็เมื่อยเพลียนะขนาดทิดใหญ่ยังนั่งเหงาหลับอยู่ในบันไดนะเขาขนาดเขาเข้มแข็งวันนั้นนะคนขับรถ เขาบอกเขาไม่ไหวเนี่ยวันเนี้ยเขาง่วงมากเขาขอกลับไปนอนบ้านเนี่ยกลับไปนี้เขาจะนอนเลยเขาเมื่อยมันเหนื่อยเขาเพลียเขาลา้าบางคนก็จะถามลุงแตนว่าทำไมไม่ออกวันนี้เอ๋อ <c oughs> มันรู้แค่นั้นมันก็รู้แค่นั้นนะ <c oughs> แล้วมันก็อย่างว่าอยารู้อะไรมากนักเลยถ้ารู้มากก็ทุกมากนะพนามีความคิดอันหนึ่งคืออยากชวนไปเก็บอารมณ์มาแหละ ถ้าเก็บอารมณ์อยู่ที่ไล่คุณเป็ดเนี่ยโอ้จะดีไอ้ยืดยาวนานวีวกดีมากที่ปากท่อนะมันจะดีมันเงียบดีทำความเพียนได้ดีหลังจากคลอดเข้าเสร็จน่าจะอยู่ได้นานแต่ก็คงได้มาบินทบาทแหละนะเขาได้บินทบาทคงมีรถคนงานมาส่งบินทบาทในเมืองห่างน่นกับประมาณสัก หลายสิบโลอยู่กลัวอย่างเดียวนะะกลัวแก้มจะใหญ่มันก็สะดวกอยู่หรอกนะสะดวกอยู่ทางเชียงใหม่ก็สักพักเดือนท่านวาเลยท่านวาก็ต้องปิวขึ้นไปโน่นอีกนะไปเถอะไปแจกเสื้อผ้าไปอะไรนะช่วยงานทางโน้นแอที่ทําทางเชียงใหม่ก็ดีพวก ลุงเรียนลุ่งอรุณก็ว่าจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมอีกนะหลวงตาคืว่าเขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ลุงเรียนลุ่งอรุณก็มีหลวงพ่อมาได้เลช่วยทางโน้นนะดูแลอยู่ก็รู้สึกว่าเดือนละครั้งสองครั้งอยู่นะพาฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นปกติทําที่นั่นแล้วท่านก็นมาฝึกที่สวนคุณพันสวนคุณพันหลวงตาไปปีละครั้งเดียวเอง แต่หลวงพ่อก็จะมีทุกเดือนนะสลับกับทางลุงอรุณบ้างกับอะไรสุพรรณบุรีบ้างเนาะก็ถือว่าเยอะมากนะสลหรับท่านท่านก็มีกำลังทำนะท่านมีกาลังก็เป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนาอุบาอาจารย์ท่านนะเป็นภาระทุระรับนักปฏิบัติธรรมเราเอาใจ ใ, ใส่อะไรประมาณนีนะ้เพราะปกติก็ไม่ค่อยมีนะ สายอื่นอะไรเขาก็ปฏิบัติอยู่วัดเราก็ไปเที่ยวตลอนไปที่โน้นบางที่ที่บางฝึกอบรมกันไปมันก็มีดีแหละนะไม่ใช่มันไม่มีดีนะแต่ข้างหลังเนี่ยท่านก็ดีมากดีมากตรงไหนท่านมีน้องสาวท่านกับแม่ท่านเฝ้าวัดให้มีแม่กับน้องสาวนะเฝ้าวัตดตรงง่ายแต่ก่อนเนี่ยขอคุณทําลงคุณทําลงขาขาดข า, ข า, ข า, ขากุดเนี่ยไปอยู่ด้วย คุณทำลงก็ไปอยู่โน่นก็สะดวกบวชไที่โน่นก็มีปัญหากระทบกระทั่งกับนาโยมที่ดูแลที่น่นเอาไปว่าซึกงาราเพศไปแต่ก่อนแก้เป็นอย่างก็ขับรถเข้าไปบินบัตในเมืองเด่นชั ย, ยได้ไม่ธรรมดาเพราะถาว่ากลัวผมบ้าไม่เป็นนละก็ไปได้ต่อมาท่านก็ขอลงปูณเรนแต่ลงปุณเรนไม่ไป ก็หลายคนนะ่ะล้มลุกคุกคานมาตอนนี้ก็ไม่รู้มีใครมีใครไม่มีใครมันก็อยู่ในบ้านท่านอยู่ในบ้านท่านครับมีคนดูแลอย่างแม่ท่านบ้างน้องสาวท่านบ้างอะไรประมาณนี้ที่แพร่ก็อาจารย์กสินท่านก็ไม่ออกไปไหนเลยวนะท่านก็อยู่ในนั่นแต่ที่นั่นก็มีโยม ะมีโยมผู้หญิงที่ดูแลครัวอยู่ซึ่งถ้าไม่ทีไปเนี่ยไม่ทีก็สบายคือไม่ได้มีบทบาทที่จะต้องทำโน่นทนํานี่เพราะว่าเอโยมผู้หญิงที่เขาอยู่ในนั้นที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยอืมเขารับเป็นภาะระทุเละตั้งแต่การทํากับข้าวทําโน่นทนํานี่อะไรประมาณ น, นั้นนะเราก็จะเป็นเหมือนนักปฏิบัติไปปฏิบัติเฉยๆมั้ะ แต่ถ้ามาอยู่กับดวงตางก็มีการเรียนรู้การงานบ้างอะไรบ้างฝึกอบรมปฏิบัติบ้างปฏิบัติตัวเองบ้างอะไรประมาณ น, ะนั้นเพาะฉะนั้นแต่ละแห่งแต่ละที่นีเหตุปัจจัยเกิดไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยก่อกาเนิดเกิดขึ้นมาเวลาที่จะคนปฏิบัติทำเนี่ยมีข้อวัดปฏิบัติที่ต่างไปเนี่ยก็เนื่องจากเหตุปัจจัยบนี้แหละ แต่ยังไงก็ตามนะขอให้มีคนรู้ธรรมะเกิดขึ้นเถอะในแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยอันนั้นแหละคือยังไม่ห่างไกลจากวัตวธรรมรู้ตื้นก็มีรู้ลึกก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็คือถ้าเราศึกษาเรื่องสติปัฏฐานสูตรจริงๆก็ต้องอยู่ประมาณเนี้นะให้รู้จักแล้วก็ทำความเพียรไปถ้าสุขโตเขาก็ขยันนะทาความเพียร ถ้ามีขวัญในาจาันยรใหม่ยอยู่นั่นท่านก็มีการให้เก็บอารมณ์วันที่นะอะไรสิบสองสิบสามเรารูจักจไม่ได้นะแต่ท่านก็มีคนก็แวะไปปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะช่วยเหลือดึงคนออกจากสังสารวัฏไปที่นูน่นบางที่นู่ส่วนที่อื่นก็หลงตามไม่ค่อยเห็นเขาทำไปจาเท่าไหร่ ที่ไม่พูดนี่นะก็คือไม่ค่อยเห็นได้ทจำจำเลยแต่มแม้ที่พูดมาเนี่ก็ไม่ค่อยเห็นได้ทำไปจําอะไรเท่าไหร่นัก็คือคือเขาอาจจะทําอะแต่มันไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นเพราะไม่ได้ออกไปเท่าไหร่แล้วมีความคิดอยู่ว่าอยากพาพระเราเนี่ยตะเวนไปหาปฏิบัติธรรมธรรมสายงานคือเขามีวันนี้วันที่เท่านั้นวันนี้วันที่ตอนนี้เจ็ดวันหรือวันนะั้น แต่ก่อ น, นพอไปพอไปปุ๊บรื่อยๆเลยพอเหมาะสมอย่างไหเวลาวัดไหนที่มันดีๆหน่อยอืมก็หยุดตรงนั้นซะคนอื่นเขาก็ไปปฏิบัติทําต่อแต่ตัวนี้ก็พักภาภะหยุดพักแล้วก็เก็บอารมณ์ซะปฏิบัติที่นั่นอืมเขาปฏิบัติเจ็ดวันเราขออยู่ต่อไปซะสิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันแล้วค่อยออกที่หลังเขาเระมานั้นอย่างนั้นมันก็ทําให้เกิดการตื่นตัว แต่ต้องมีสมัยที่มีพระสักสิบรูปหรืออะไรที่มันไม่ค่อยเสียเวลาในการที่จะทํานั้นได้คือไม่ได้ประโยชน์นะนะแต่ถ้าองค์หนึ่งสององค์นี่อพาทําความเพียรที่ไหนก็คิดว่าพอทําได้อยู่นะไม่ต้องอาศัยอาวาตที่โน่นที่นี่มากมายคือที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ดีนะ ไม่ใช่จริงเสมอไปนะมันอยู่หน้าคณะนั้นๆ น, น, นะช่วงเวลานั้นๆเจ้าอยังไงกับมันการสอบก็คงเรื่องมาที่สิบเก้ามาที่สิบเก้านุนตา ก, ก็บอกคุณสมปองไวนะ้เป็นรถลับไปส่งอะไรประมาณนะี้ผู้ใหญ่เรียนก็คง น่ากว่าเด็กเรียนแต่ก็ขอให้มีมุมมองนะพระลงตายังประทับใจนะครูบาาจพูดวันก่อนว่าเอ้าอ่านหนังสือไปหนังสือนี้โบราณมากข้อสอบมันเป็นโบราณตอบก็ตอบแบบโบราณแต่ก็ประทับใจว่าท่านไม่รู้ท่านว่ายังไม่รู้อันนี้ยังไม่แน่ชัดยังไม่พิจารณเขาก็พูดตรงๆนะอันไหนรู้ก็คือรู้อะไรประมาณนี้เอ้าอือพราะฉะนั้าบดีอ่านเอาใจความดี อันนี้เป็นมติอันนั้นอันนี้อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแต่ก่อนมันคนโบราณเป็นคนใจกว้างนะนะเขาไม่ยึดถือแต่คนเราที่มาแต่งที่หลังเนี่ยเอาตามเขาแต่ล็อกไปเลยทนะั้งดีเพรานั้นถ้าเราอ่านอ่านแบบผู้ใหญ่อ่านแบบคนใจเป็นกลางใจก็จะกลางกลางว่างๆเรียนรู้เอาอย่างลัทธิว่านั่นแหละนะมันไม่นานเห็นไหม เราอยู่นิดเดียวเองหมดพรรษาแล้วอยู่นิดเดียวสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีแล้วต้องทํามาอยู่ที่นี่นิดเดียวเองเอ่ะเนาะปีสี่เก้าเดือนห้าเก้าเดี๋ยวก็ยี่สิบปีแล้วเนี่ยปีห้าแปดเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาเราทำมาห้าแปดไม่ไม่ใช่สามแปดถ้าไปถึงเดือนนี่แล้วเ ด, เดือนปลายเดือนพฤศจิกาธันวาปี 58นีย่ยก็ถือว่า20ปีมันนิดเดียวเองนะยังไม่มีอะไรแต่ก็ดีใจว่า20ปีปลูกต้นไม้โตหมดนันเอต้นไม้เต้าโตขึ้นบางทีเราปรับเปลี่ยนบางทีต้นไม้ถามว่ามันดูดีอยู่แต่ว่ า, ามันไม่เหมาะกับประโยชน์ที่เราจะได้รับเอาเราก็ปลูกสร้างเอาใหม่สร้างาสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาบางทีก็ถมใหม่บางทีก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่แต่ไม่ได้ทาโชว์ ทำเหตุไม่เลวลาลงไปคนก็โอ้ยตัวนี้น่าเดินจุกรมดีโอ้ยตัวนี้น่าทำความเปลี่ยนของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ยไม่ใช่นะเขาไม่พูดนะว่าเฮ่หน่ามาไหว้ดีอ่ะอันนี้น่าศักดิ์สิทธิ์นะวิเศษไม่มีมีแต่มีหมองอ่เออน่าทําความเพี่ยนเราทําอะไรทั้งหลายก็เพื่อการนั้นนั้นนะท่านก็พูดคุยนะทําความเข้าใจ เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อยๆน้อยเราก็ไปทําความเปลี่ยนต่อทำความเปลียนะ่ยนเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมันเหมือนยากพุทธธรรมเนี่ยมันยากตรงที่เราทําใจให้มันทําต่อเนื่องเร า, เาจริงจริงเท่นั้นแหละอันอื่นมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันยากตรงที่ความประมาทเรานี่แหละถ้าเราไม่ประมาทฮ้ยหยุดสัานการณ์ไหนความเพียนก็ได้ปัจจุบันเลยเมื่มันได้อะเคล้าปลระ